วันนี้พวกเราจะมาสร้างคุณธรรมที่มีความสำคัญต่อการผลักดันการปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายคือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคุณธรรมที่จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้า จเจริญไปตามลําดับก็คือวิริยะธรรมคือความภาคเพียรหรือเรียกสั้นๆว่าความเพียรความพยายามดังที่พระ อ, องค์ทรงได้ตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ ย่อมอยู่ที่นั่นความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเกียจคร้านความสำเร็จไม่ได้อยู่การนิ่งอยู่เฉยเฉยไม่เจริญทำที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงจำเป็นจะต้องมีความเพียรที่แก่กล้าถึงจะสามารถนำพาจิตใจให้ก้าวออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนผู้ปฏิบัติเช่นพระภิกษุให้มันจเจริญทมที่จะทำให้ได้ หลุดพ้นกันคือให้เพียรพยายามสร้างธรรมสามประการด้วยกันคือหนึ่งสติสองสมาธิสปัญญานี่คือความเพียรที่เราควรที่จะมุ่งไปมุ่งไปเพื่อสร้างสติขึ้นมาเป็นลำดับแรก ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญาแล้วก็จะสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติ ให้มันเจริญสติเป็นเบื้องต้นก่อนจเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าได้สติแล้วก็ให้เจริญสมาธิให้นั่งสมาธิบ่อยๆนั่งให้มากๆนั่งให้ชำนาญเมื่อมีความชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณา ฝ่ายลักให้พิจารนาว่าสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศอย่าไปครอบครองเพราะจะไม่สามารถครอบครองได้ได้ไปโดยตลอดเวลาที่จะต้องสูญเสียก็จะเกิดความ ทุกทรมานใจขึ้นมานี่คือทำสามประการด้วยการที่ผู้ปฏิบัติควรมุ่งความเพียรไปเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาไปตามลําดับไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะจะทําให้ไม่สําเร็จนั่นเองเพราะทําเหล่านี้ ทึงพาอาศัยกันสมาธินี่อาศัยสติปัญญาอาศัยสมาธิการหลุดพ้นจากความทุกข์อาศัยปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไปเจริญปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่ไม่มีพลังไม่มีกำลัง ที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ถ้านั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไปใจก็จะไม่สงบดังนั้นทมที่ควรจะสร้างในข้อขั้นที่หนึ่งขั้นแรกก็คือการเจริญสติควรจะเจริญทาทั้งสามประการนี้ไปตามลำดับและควรเจริญตลอดเวลา นับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่พักผ่อนหลับนอนนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการทําความเพียรถ้าจเจริญเพียงวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการทําความเพียรเป็นการเล่นก่อน เป็นท ด, นทดลองยังไม่ได้เอาจริงเอาจังถ้ายังไม่เอาจริงเอาจังนี้การดุดพ้นจากความทุกข์นี้จังจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนี้เขาเอาจริงเอาจังเขาไม่ทําเพียงวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเขาทําตลอดเวลา พอลืมตาขึ้นมานี้กิเลสตัณหาเขาเริ่มทำงานแล้วและบางทีเวลาหลับไปเขาก็ยังไม่หยุดทำงานเราถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์เราก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความทุกข์ต่างๆเกิดจากกิเลสตัณหานี่เองถ้าเราไม่ทาลาย ถ้าเราไม่เจริญทำที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาตลอดเวลาเราก็จะถูกกิเลสตัณหาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราอยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างราบคาบให้หมดไปจากจิตจากใจจะต้องมีความเพียรที่แ ก, ก่กล้า มีความเพียรติดต่อเนื่องเพียรตั้งแต่เตืนขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยเช่นทรงสอนพระภิกษุว่าพอเตืนขึ้นมาก็ให้เจริญสติให้มีสติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนท่านอน พอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังอยู่ในท่านั่งพอลุกขึ้นมายืนก็ให้รู้ว่ากําลังยืนอยู่ในท่ายืนกําลังเดินไปทําภารกิจอะไรก็ให้มีสติให้จิตเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกอิเลียบททุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําพอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นล้างหน้าล้างตา เตรียมตัวออกบินทบาศ่ห่มผ้าจีวรให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่เวลาเดินบินธบาตก็ให้มีสติอยู่กับการเดินการเปิดฟ้าบาทการปิดฟ้าบาท่ทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความจดจอ่อถึงจะเรียกว่ามีสติ mm hmm. คือไม่ให้ใจไปที่อื่น ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทาอยู่ในขณะนั้นพ อ, อกลับจากบินทบาทก็ให้มีสติอยู่กับการจัดอาหารเข้าบาทมีสติอยู่กับการขบฉันทุกคำที่เข้าไปใน ในปากที่เกินเข้าไปในท้องให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเหล่านี้ของการกระทําเหล่านี้แล้วพอฉันเสร็จก็ให้มีสติกับ ก, บการไปล้างบาทเช็ดบาศมีสติอยู่กับ ก, บการทําภารกิจเช่นเก็บกวาดถูสาลาให้เรียบร้อย ตอนที่จะแยกกันกลับไปสู่ที่พักของตนเพื่อไปเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาแล้วแต่ธรรมของแต่ละบุคคลที่กำลังอยู่ในธรรมขั้นไหนก็ให้เจริญธรรมขั้นนั้นไปถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติกลับไปที่พักก็ไปเดินจงกรม ไปควบคุมการคิดของใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ดูให้อยู่กับการเดินของร่างกายเดินจงกรมก็ให้ดูที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอเดินเมื่อยแล้วก็พักนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ดูลมที่มาสัมผัสที่ปลายจมกูกแถวบริเวณปลายจมกูกหรือเหนื อ, หอเหนือริมฝีปากขึ้นมาลมจะเข้าออกตรงนั้นจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ตรงนั้นก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปวิพากวิจาร ยงให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปเมื่อไม่มีลมก็ให้รู้อยู่กับความว่างนั้นไปความที่ไม่มีลมไปให้อยู่กับความว่าง อย่าให้มีความคิดถ้ามีสติก็จะสามารถหยุดความคิดได้เวลามีความคิดโผลขึ้นมาพอจะคิดอะไรก็ให้หยุดความคิดนั้นให้อยู่กับความว่างไปทำอย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ตามลำดับต่อไปเวลารวมนี้จิตก็จะเหมือนตกหล้มตกบ่อ แล้วก็มีความนิ่งความสงบจะสงบเลิกหรือสงบไม่ลึกก็ได้สงบไม่ลึกก็คือยังรับรู้เรื่องของร่างกายอยู่ยังรับรู้เรื่องของอาการของร่างกายเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ใจจะไม่มีปฏิกิริยากับอาการเจ็บอาการปวดของร่างกายจะรู้สึกเฉยเฉย ไม่ยินดียินร้ายไม่เดือดร้อน <Yeah. S 1> หรือถ้าตกลงไปเล็กๆ ก, ก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยเ mm hmm. หลือแต่สักแต่ว่ารู้เ mm hmm. หลือแต่อุเบกขาเ mm hmm. หลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น mm hmm. พอออกจากสมาธิมาแล้ว mm hmm. ก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อไป mm hmm. เลินสติต่อไป เพื่อให้มีสติที่แก่กล้าที่สามารถนำใจให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการพอนั่งปับ๊บถ้ามีสติที่แก่กล้าที่ต่อเนื่องนั่งไม่ถึง5้านาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพักอยู่ได้นานทำอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะชำนานพอชำนานแล้วออกมา จากสมาธิเจ้าลุกขึ้นไปเดินจงกรมหรือจะนั่งต่อก็สามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาสภาวะธรรมที่ใจไปผูกพันไปติดอยู่ด้วยเช่นถ้าติดอยู่กับร่างกายยังรักตัวกลัวตายอยู่ก็ให้พิจารณาให้เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา ร่างกายต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางให้ได้ได้มีปัญญาและมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะสามารถปล่อยร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีความอยาก เหล่านี้อยู่ในใจเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่จะตายใจจะไม่มีความทุกข์เลยใจจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือการทำความเพียรจากสติสู่สมาธิจากสมาธิสู่ปัญญาจากปัญญาสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไปในระดับต่างๆ ความทุกข์นี้ก็มีหลายระดับด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งไว้สี่ระดับความทุกข์ระดับโสดาบันความทุกข์ระดับสกิทาคามีความทุกข์ก ร, ะาากระดับอาณาคามีและความทุกข์ระดับอรหันต์ผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆเหล่านี้ได้จำเป็นจะต้องมีสติสมาธิและปัญญาไว้พิจารณา สภาวะธรรมที่จิตไปผูกติดอยู่เพื่อให้ปล่อยวางเพื่อที่จะละตันหาความอยากในสภาวะธรรมเหล่านั้นพอละได้แล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่ทุกข์กับสภาวะธรรมเหล่านั้นนี่คือการบำเพ็ญความเพียรของผู้ปฏิบัตินพะอออกจาก สมาธิมาก็ให้เจริญสมาเจริญสติต่อถ้ายังไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิถ้าชำนาญแล้วก็ให้พิพ จ, จารณาไตรลักษณพิจารณาอสุภะพิ จ, จารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาอยู่ที่ว่าจิตไปผูกพันกับอะไรผูกพันกับเรื่องของกามอารมณ์ก็พิจารณาอสุภะผิดพัน ผูกพันไปกับเรื่องการรับประทานอาหารก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าไปผูกพันกับความตายความเจ็บก็ให้พิจารณาความเจ็บความตายพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บก็ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ามันไม่ได้มันจะเจ็บมันก็ต้องให้มันเจ็บไป ถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันหายเจ็บก็จะไม่ทุกข์ความตายก็เช่นเดียวกันห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตาย <És S 1> เวลามันตายใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือขั้นของปัญญา ที่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าถึงขั้นไหนแล้วควรจะควรจะทำขั้นไหนควรจะเจริญทำขั้นไหนดีขั้นสติดีหรือขั้นสมาธิดีหรือขั้นปัญญาดีต้องมีธรรมเหล่านี้ต้องชนานาญในธรรมเหล่านี้พร้อมที่จะเรียกมาใช้ได้ ท, ทันทีทุกเวลาที่ต้องการต้องการสติก็เรียกมาได้ต้องการสมาธิก็เรียกมาได้ ต้องการปัญญาก็เรียกมาได้ถ้าเรียกมาได้แล้วก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร น, นี่คือการบำเพ็ญหลังจากที่กลับมาจากที่ไปขบฉันมาแล้ว ก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติหรือจเจริญสมาธิหรือจเจริญปัญญาตามแต่ธรรมของขั้นธรรมะของตนว่ายังว่าอยู่ในขั้นไหนอยู่ในขั้นสติก็จเจริญสติอยู่ในขั้นจเจริญสมาธิก็เจริญสมาธิหรืออยู่ในขั้นเจริญปัญญาก็จเจริญปัญญา แต่ต้องทำทั้งสามขั้นนี้ไปตามลำดับไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะข้ามแล้วมันจะไม่เป็นผลนั่นเองเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไปตามขั้นขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาไปข้ามขั้นไม่ได้ข้ามขั้นก็จะเรียนไม่สำเร็จถ้าเรียนไปตามขั้นก็จะสำเร็จ อย่าใจร้อนใจเย็นๆแต่ก็ไม่ให้เย็นแบบที่เกียดให้เย็นแบบขยันคือให้เราทำความเพียรไปตามกำลังของเราตามระดับของเราอย่าไปรีบร้อนข้ามขั้นตอนเพราะมันจะไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราอยู่ในขั้นเจริญสติก็ให้มันเจริญสติ คอยเฝ้าดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจไปที่อื่นนอกจากจนกว่าจะถึงเวลาหลับนอนเท่านั้นถึงจะปล่อยร่างกายได้พอตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็เกาะติดอยู่กับร่างกายต่อไปเป็นเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยร่างกายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนใจก็ไปที่นั่นอยู่ที่นั้นร่างกายทําอะไร ใจก็ทำกับร่างกายไปไม่ไปทำอย่างอื่นแยกกันไม่ปล่อยให้ร่างกายทำอะไรไปส่วนใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเวลานั่งสมาธิจะให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสินน่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ ไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปอย่างไรก็ไม่มีวันสงบได้เมื่อไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกําลังที่จะสนับสนุนการใช้ปัญญาเพื่อทําลายกิเลสตัณหาต่างๆไม่สามารถดึงใจให้มาคิดทางปัญญาได้เพราะถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสตัณหาจะมีกําลังมากกิเลสตัณหาก็จะดึงให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาแทน ให้ไปคิดทางกามฉันทะแทนให้คิดไปถึงรูปเสียงเกี่ยนรถต่างๆให้ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆแทนที่จะมาคิดถึงตายลักคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดถึงอสุภะคิดถึงอาหารอรปฏิกูลสัญญาคิดถึงมรณานุสติคิดถึงผ่านตายทาเหล่านี้จะไม่มีวันจะ โผขึ้นมาได้ไม่มีวันที่จะพิจารณาได้ถ้ากิเลสยังมีกําลังอยู่จึงต้องตัดกําลังของกิเลสด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้รวมเวลาใจรวมกิเลสก็จะถูกเหมือนกับถูกจับมัดมัดมือไว้ไม่สามารถที่จะมาอะคอยบงการความคิดให้ไปคิดถึงเรื่องของกิเลสได้ถึงแม้เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ความสงบนี้ก็ยังมีเกาะติดมากับจิตใจปิเลตตันหาที่เคยมีกำลังมากก็จะเหมือนกับคนที่ถูกทุบศรีรษะมืนศรีรษะอยู่ยังงัวงเงียอยู่ยังงงเงียอยู่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปคิดตามกำลังของตันหาความอยากต่างๆได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะสามารถดึงใจให้มาคิด ทางปัญญาได้ให้มาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณ า, า, ารอาหารเลยปฏิสูรสัญญาได้พิจารณาความตายได้อันนี้ต้องอาศัยสมาธิถึงจะสามารถดึงใจให้มาคิดในทางปัญญาพอใจเห็นว่าสิ่งที่ไปอยากได้สิ่งที่ไปยึดติดเป็น เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราจะต้องจากเราไปก็จะปล่อยได้ถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังปล่อยก็จะยึดจะติดจะอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆอยากจะมีอยู่เรื่อยๆไม่อยากจะพัดพากจากกันนี่คือทำที่เราจะต้อง เพียงพยายามสร้างกันขึ้นมาตามลำดับสติแล้วก็สมาธิสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะมีวุมวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านถึงแสดงไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะถ้าไม่มีการเพียรสร้างสติไม่มีการเพียรสร้างสมาธิไม่มีการเพียรสร้างปัญญา ก็จะไม่มีธรรมที่จะมาดึงใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดึงใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใจก็จะถูกอำนาจของตัณหาความอยากอำนาจของโมหะอวิชชาผูกใจไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันจบจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ อย่างที่เรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในขณะนี้และจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าเราจะมาสร้างความเพียรกันมาเพียรสร้างสติกันเพียรสร้างสมาธิกันเพียรสร้างปัญญากันพอเรามีความเพียรสร้างสติเราก็จะมีสติพอเรามีสติเราเพียรสร้างสมาธิเราก็จะมีสมาธิ พอเรามีสมาธิเราเพียรเจริญปัญญาเราก็จะมีปัญญาพอเรามีปัญญาเราก็จะเพียรฆ่ากิเลสเพียรละกิเลสเพียงตัดตัณหาความอยากเพียงดับความทุกข์ต่างๆด้วยปัญญาได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปจากใจไปตามลำดับแล้หมดไปในที่สุด เมื่อไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปจิตของพรมารยานก็ถึงที่สิ้นสุดลงภารกิจต่างๆที่จำเป็นต่อการทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอีกต่อไป ก็จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วนั่นเองอันนี้เกิดจากการมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหับอย่างของพระภิกษุนี้พอกลับมาจากบินตะบัดกบฉันเสร็จแล้วกลับมาที่พระ ก, ก็เพียรเจริญสติสมาธิหรือปัญญาไปตามกำลังตามลำดับของตน แล้วพอถึงเวลาอยากจะพักผ่อนช่วงกลางวันก็อาจจะพักได้ชั่วโมงหนึ่งพักตอนกลางวันตอนเที่ยงตอนเบะแล้วหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดทำภารกิจทำความสะอาดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ฉันน้ำปะนะ Mm hmm. ก็ทําด้วยการมีสติอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งเวลามาทําภารกิจอะไรก็ไม่ให้พูดคุยกันเพราะการพูดคุยกันก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งนี้เองนอกจากจําเป็นที่จะต้องพูดในเรื่องที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นถึงก็จะพูดกันแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นเช่นให้มาพูดทักทายปลาใสอยาไรต่างๆเหล่านี้จะไม่พูดกัน ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันหรือคนที่กอดเกียดกันไม่ทักทายไม่ปลาสายกันมีแต่เฝ้าอยู่เฝ้าดูการทำงานของตนเพียงอย่างเดียวกำลังปัดกวาดก็ปัดกวาดไปกำลังเช็ดถูหรือทำอะไรก็ทำไปกำลังดื่มน้ำปานะก็ดื่มไป จะไม่ส่งใจไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไปพูดกับคนนั้นคนนี้นึงใจให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่อยู่ที่ร่างกายพอเสร็จจากภารกิจแล้วก็ไปส่งน้ําอาบน้ําอาบท่าซักผ้าผ่อนแต่แล้วก็กลับมาเดินจงกรมต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาสี่ทุ่มหรือห้าทุ่ม ก็พักผ่อนหลับนอนถึงเวลาตีสองหรือตีสามเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างถึงเวลาออกบินทบาทก็ทำความเพียรอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทาไปเรื่อยๆแล้วทำต่างๆก็จะเจริญขึ้นมาตามลาดับสติก็จะเจริญขึ้นมา พอมีสตินั่งสมาธิก็จะได้สมาธิจิตก็จะสงบจิตก็จะรวมพอจิตรวมก็จะสามารถดึงใจดึงจิตให้มาพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าจิตยังไม่สงบจิตไม่มีกำลังที่จะดึงตัวเองไปคิดในทางปัญญาได้ก็จะถูกกำลังของตัณหาความอยากให้ไปคิดในทางของตัณหากันให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส ไปคิดถึงบุคคลที่มีหน้าตาสวยๆเงางา ม, งามหน่าดูน่ารักหน่าหน้าร่วมหลับนอนด้วยรักจะพาไปคิดในทางนั้นจึงต้องมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็จะไปยากแต่ยังแต่ก็ไปอยู่แต่ไปไม่ง่ายเหมือนขณะที่ไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธินี้มันไปอย่างสบายไม่มี อะไรดึงไว้เลยแต่ถ้ามีสมาธิก็มีสมาธิคอยดึงไว้เวลาจะไปก็ต้องใช้กำลังมากถึงจะไปได้อย่างนี้ก็จะง่ายต่อการดึงใจให้มาคิดทางปัญญาได้ให้มาพิจารณาความตายได้ให้มาพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ให้มาพิจารณาอสุภะได้ ให้มาพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาได้จะไม่มีความรู้สึกสะอิดสะเอือนจะไม่มีความรู้สึกต่อต้านเบื่อหน่ายต่อการพิจารณาธรรมเหล่านี้กลับมีความคขมิขมักคขม่นมีความยินดีที่จะพิจารณาธรรมเหล่านี้พอเวลามีธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วมีความมั่นใจมีมีพลังที่จะสู้กับ ตันหาความอยากต่างๆได้นั่นเองอันนี้เกิดจากการมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาความตายกันพอคิดถึงความตายก็มีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมีอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายมีอารมณ์หดผู่ขึ้นมาทันทีพอพจะไปพิจารณาทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน มีความรู้สึกที่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างความไม่สบายใจกิเลสตัณหาเป็นผู้สร้างความความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิกิกเลสก็จะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาต่อต้านในการเจริญปัญญาต่างๆได้ เราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้พิจารณาความตายได้จนไม่ลืมจนรู้ว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีเทวดาหน้าไหนที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายนี้ได้การอยากที่จะไม่ให้ร่างกายนี้ก็จะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเป็นผู้ที่จะสร้างความทุกข์แต่ถ้าเห็นว่ายังไงยังไงก็ต้องตายจะไปอยากไม่ให้ตายทาไม จะไปอยากให้ทุกไปเปล่าๆทาไมเมื่อเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ต้องตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรปล่อยให้ร่างกายตายใจก็ไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ที่ความตายความทุกข์อยู่ที่เกิดจากความไม่อยากตายเท่านั้นเองถ้าปล่อยความปล่อยร่างกายให้ตายได้ก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตาย ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บเราคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายก็จะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวไม่หดผู่นี่คือคุณความดีงามของสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดก็คิดได้ไม่นานคิดได้เดี๋ยวเดียวก็ถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่องอื่นแล้วจะไม่ได้อยู่กับการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมจนพร้อมที่จะให้ร่างกายแก่เจ็บตายจะไม่ต่อต้านจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วก็จะรู้ว่าจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายพอรู้แล้วว่าต้นเหตุที่ทําให้ทุกข์ใจก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเองความจ้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทําให้ใจทุกข์สิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้า มีสมาธิแล้วพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นความจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาภายในใจอย่างชัดเจนก็จะหยุดความอยากต่างๆเพราะต้องการจะหยุดความทุกข์นั่นเองถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วความอยากต่างๆเหล่านี้ก็หยุดได้แต่สิ่งที่หยุดไม่ได้ก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ดังนั้นคนที่มีปัญญาจริงไม่มีความอยากไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายกันแต่จะไปหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันเพราะหยุดได้หยุดแล้วก็เป็นประโยชน์พอหยุดแล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปูปฏิบัติมัน จเจริญกันขึ้นมาให้ได้เวรียะความอุตสาหะความภาคเปลี่ยนความขยันหมั่นเพียรต้องเพียรตลอดเวลานับตั้งแต่เวลาที่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเลยอย่างาพระภิกษุนี่ก็พอตอนเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนจากห้า แล้วก็พอถึงตีสองหรือตีสาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่ตอไปจนถึงสว่างถึงเวลาออกไปทําภารกิจต่างๆก็เพียงเจริญสติกับควบคู่ไปด้วยกับการไปทาภารกิจความเพียร น, นี้ไม่มีห่างไกลจากใจเลยเพียงตลอดเวลาเพาะสามารถเพียนได้ไปทําภารกิจก็เพียงสติเจริญสติไป ให้มีสติกำกับใจให้อยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่หรือให้พิจารณาปัญญาเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดถ้าไปไปขบฉันก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าได้อะไรมาก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยึดไม่ติดได้อะไรมาก็เอาไว้เท่าที่จาเป็น ส่วนที่ไม่จําเป็นก็ให้คนอื่นไปส่วนที่มีก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปหรือจากกันไปไม่ยึดไม่ติดกับอะไรตลอดเวลาถ้ามีการเจริญสติสมาธิหรือปัญญาในระหว่างที่ทำภารกิจการงานต่างๆกลางขบฉันก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเพื่อจะได้ไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากด้วยตันหาความอยาก รับประทานด้วยความสำรวมรับประทานด้วยปัญญารับประทานเพื่อยอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานก็ต้องดูอาหารที่ไม่น่ารับประทานถ้าไปดูอาหารที่น่ารับประทานก็จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าดูอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็จะทำให้ไม่เกิดความอยากขึ้นมามันก็จะรับประทานเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้อยู่เพื่อรับประทาน อันนี้สามารถใช้สติใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาในช่วงที่ทำภารกิจการงานต่างๆแล้วพอจะเสร็จภารกิจกลับมาที่พักก็เข้าสมาธิพักใจไว้ก่อนก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิําใจให้สงบเพื่อจะได้พักใจที่ได้ออกไปใช้กับภารกิจการงานต่างๆ การเจริญสติการเจริญปัญญาก็ทําให้ใจเหนื่อยได้ก็ต้องการพักก็เข้าไปพักในสมาธิเวลาเหนื่อยจากการพิจารณาปัญญาก็ให้หยุดพิจารณาปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งแล้วใจก็จะมีพลังขึ้นมาใหม่หายเหนื่อยแล้วพอหายเหน็ดหายเหนื่อยออกจากสมาธิมา ก็ออกมาพิจารณาปัญญาต่อไปอย่าปล่อยให้กิเลสดึงใจไปคิดทางกิเลสอย่าไปคิดทางทางความน่าอริดอร่อยของอาหารอย่าไปคิดถึงความสวยงามของร่างกายของบุคคลนั้นของบุคคลนี้อย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเรา ถ้าเรามีกำลังเราก็จะเดินใจให้มาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันพัดผ่าจากกันทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็ไม่สวยงามอย่าไปดูส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามก็มีอยู่เยอะแยะไปทาไมไม่ดูกัน ไมไม่ดูเข้าไปใต้ผิวหนังบ้างภายใต้ผิวหนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกโครงกระดูกเนี่ยกระดูกก็คือโครงกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกที่ข้อเท้าที่ที่เท้านี่ก็เป็นกระดูกมีอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี่แหละมีมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไต มีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีสมองมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดที่ไม่น่าดูน่าชมทำไมไม่มองกันก็เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิกิเลกก็จะไม่เดึงให้ไปมองในสินนน่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสมาธิจะเดึง ม, มาดูก็ดูไม่ได้พอดูก็เกิดความรู้สึกขยะขยะังหรือความ รู้สึกไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากจะดูขึ้นมาก็ดูไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิใจจะไม่มีอคติจะไม่มีความชังไม่มีความรักกับอะไรให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้ให้มาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายก็จะสามารถพิจารณาได้ดูได้ให้ไปดูซากศพก็ดูได้ให้ไปดูผ่าศพก็ดูได้จะไม่รู้สึก อาการที่จะอาเจียนหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเพราะใจที่มีสมาธินี้จะเป็นใจที่มีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้จะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงมีก็น้อยไม่ไม่มากจนกระทั่งทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านปัญญาได้นี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิ จะทำให้การพิจารณาทางปัญญานี้ง่ายได้จะทำให้ไม่มีอะไรมาคอยต่อต้านไม่มีความอารมณ์ต่างๆมาคอยต่อต้านเช่นอารมณ์หดหู่บ้างอารมณ์ขยะขยงบ้างอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างถ้ามีสมาธิแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะมีก็น้อยมากจะเบามากจะไม่สามารถที่จะมาต้านการเจริญปัญญาได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติก่อนจเจริญสติให้มากๆเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วเมื่อสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่กำลังของอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับเวลาที่เราแช่น้ำเย็นไว้ในตู้เย็นถ้าเราแช่ไว้นานๆน้ำก็จะเย็นมาก เวลาเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็จะเย็นได้นานกว่าจะมันหมดเย็นก็ก็ใช้เวลานานพอสมควรใจก็เหมือนกันใจก็จะเย็นด้วยอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิก็จะเป็นเหมือนน้ำเย็นที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเวลานั้นพิจารณาอะไรนี้จะไม่มีอารมณ์เลยพิจารณาอสุภะก็จะไม่มีอารมณ์พิจารณาอาหาเลยปฏิกูลรสัญญาก็จะไม่มีอารมณ์ จะไม่รู้สึกขยะขยะัขย่งรู้สึกอะไรกินได้อย่างสบายเลยคุกมันเข้าไปคนมันเข้าไปขนมนมเนย <c oughs> อะไรต่างๆที่จะเข้าไปในท้องที่จะเข้าไปรวมกันในท้องนี้รวมกันเข้าไปในภาชนะเลยแล้วก็คุกมันคนมันเหมือนกับอาหารที่อยู่ในท้องไปเลยแล้วก็จะตักเข้าปากกินได้อย่างสัอย่างสบายเลยไม่เดือดร้อนเลยกินแบบกินยาจริงๆเลยไม่ได้กินด้วยความอยากเลย นี่คือประโยชน์ของการที่มีอุเบกขามีสมาธิเพราะเวลาออกจากสมาธิมานี่อุเบกขาก็เหมือนน้ําเย็นมันไม่หายไปทันทีทันใดมันจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับความเย็นที่เราเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นน้ํานี่พอออกมาจากตู้เย็นนี้มันไม่หายเย็นทันทีมันก็จะใช้ค่อยๆค่อยๆหายไป ใจก็เหมือนกันพอจากสมาธิก็จะเย็นด้วยอุเบกขาจะไม่มีรักชังกลัวหลงอให้พิจารณาสิ่งที่กิเลส ช, ชังก็จะไม่มีความชังกิเลสมันไม่ชอบความตายกิเลสมันไม่ชอบความไม่สวยงามของร่างกายกิเลสมันไม่ชอบความเป็นเปรตกูลของอาหารถ้ามีอุเบกขาก็สามารถพิจารณาได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึก ขยะขยั้งหดหูแต่อย่างใดจะพิจารณาได้จนเห็นได้จนจำได้ถ้าพิจารณาไประยะหนึ่งความเย็นของใจก็เหมือนกับน้ำมันก็จะค่อยๆจางหายไปพอเริ่มเกิดอาการหดหูหรือขยะขยั้งขึ้นมาก็แสดงว่าอุเบกขานี้หมดกําลังตอนนั้นเราก็พักการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วเราก็กลับเอาใจเข้ามา ใส่ตู้เย็นต่อไปเข้าไปในสมาธิทําใจให้เย็นด้วยอุเบกขาเหมือนกับน้ําเย็นที่เราเอาออกมาแชเอาออมาดื่มพอมันหายเย็นแล้วเราก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่แช่จนกระทั่งมันเย็นเฉียบแล้วก็เอาออกมาดื่มใหม่อีกใจก็เหมือนกันพอหมดอุเบกขา อ, อุเบกขาจางหายไปตันหาความอยากที่ยังไม่ถูกทําลายมันก็จะโผล่ขึ้นมา มาสร้างอารมณ์ต่างๆต่อต้านการพิจารณาปัญญามันจะรู้สึกหดหูใจให้พิจารณาความตายรู้สึกขยะขยังเวลาพิจารณาอาหาในปฏิกูลสัญญาจะไม่ชอบดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายจะต่อต้านจะไม่ยอมมองไม่ยอมพิจารณาก็ตอนนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบ ให้เย็นเฉียบด้วยโอเบกขาพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาต่อทําไมต้องพิจารณาอย่างอยู่เรื่อยๆเพื่อพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงให้มันไม่ให้ลืมนั่นเองให้มันเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามีอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเวลาเกิดตัณหาความอยากก็สามารถดึงปัญญาเหล่านี้ออกมาใช้งานได้เลย ถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวมันลืมได้นั่นเองมันจะเป็นสัญญาแต่ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาพอเวลาเห็นความตายกลัวความตายก็เอาความตายมายืนยันหนยว่ามันต้องตายไปกลัวมันทําไมสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราปัญญามันก็จะมาสอนใจให้ปล่อยวางให้ละความอยากไม่ตายละความอยากไม่เจ็บ ใจก็จะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกกับความตายเพราะเกิดอารมณ์พราะเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหล่อเหลาก็จะเอาอสุภะออกมาใช้ทันทีถ้ามีปัญญาถ้ามีอสุภะมันก็จะเป็นปัญญาพอดึงออกมาใช้ได้หยุดการอารมณ์ได้มันก็เป็นปัญญาแต่ถ้าพอเห็นแล้วจะดึงอสุภะออกมาดึงไม่ออก ไปไหนไม่รู้อย <skincare>, ่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่พอยังไม่ฝังอยู่ในใจก็ต้องพยายามพิจารณาให้มันฝังอยู่ในใจพอต้องการที่จะใช้มันเมื่อไหร่ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เลยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะจะดับความทุกข์ได้ดับความอยากได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการทำความเพียรของผู้ปฏิบัต ที่ควรที่จะเพียรอย่างต่อเนื่องเพียรตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ควรปราศจากความเพียรถ้าอยากจะหลุดพ้นตามเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เช่นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดปีก็ต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเลย จะไม่ทำไปจะไม่ไปเสียเวลากับการไปทำภารกิจอะไรอย่างอื่นทั้งนั้นเพราะผลที่ได้จากการทำภารกิจอย่างอื่นนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่จะผูกให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ให้อยู่ให้อยู่ไปนานขึ้นไปอีกนั่นเองเท่านั้นเองภารกิจต่างๆในโลกนี้มีหน้าที่เพียงเท่านี้มีหน้าที่ที่จะผูกรกัดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย มีภารกิจของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะดึงให้สัตว์โลกได้ออกจากการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดภารกิจก็คือการเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญานี้เองถ้าไปทําภารกิจอย่างอื่นก็เท่ากับการไปสร้างกิเลสตัณหาสร้างภพสร้างชาติให้มากขึ้นเล่นไปทําภารกิจเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญ ทำภารกิจเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะเนี่ยอันนี้เป็นการไปสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นการตัดพบตัดชาติวิธีที่จะตัดพบตัดชาตินี้ต้องมาเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นแล้วภพชาติก็จะน้อยลงไปจากเจ็ดปีก็เหลือแค่เจ็ดเดือนจากเจ็ดเดือนก็เหลือแค่เจ็ดวันหลุดพ้นได้ภายในชาตินี้เลย นี่คือประโยชน์ของการที่เรามาสร้างวิริยะธรรมกันคือสร้างความเพียรกันสร้างความพยายามกันเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วถ้าจะถามก็ถามตอนนี้พอเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการตอบ ป, ปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบ ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรเอาคําถามของผู้ที่อยู่ทางบ้านฝากถามมาคําถามจากคําถามจากทางบ้านคําถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าวัดฟังทำถามว่าการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ทำไมถึงต้องลําบากคะพยายามต่อไปบ้างแล้วให้ฟังง่ายๆแต่ก็อยาก กราบเรียนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายก็ต้องเจ็บบ้างต้องผ่าตัดนี้มันต้องฉีดยาถ้ามันไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่หายถ้าปฏิบัติแบบกินแล้วนอนมันก็ไม่มีวันที่จะหายได้มันต้องปฏิบัติแบบฝืนความ ความสะดวกความสบายเพราะความสะดวกความสบายมันเป็นตัวปัญหานั่นเองความทุกข์ยากลําบากนี้เป็นตัวที่จะทําให้เราหลุดพ้นกันถ้าเราอยู่กับความสุขความสบายเวลาเราเจอทุกความทุกความยากลําบากเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราอยู่กับความทุกข์ยากลําบากได้เวลาเราเจอทุกความความทุกข์ยากลําบากเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณแนกเมืองสมัครช่วงเข้าพรรษาผมจะทำวัดเย็นประจำแต่เป็นช่วงสามถึงสี่ทุ่มเพราะมีเวลาจำกัดช่วงเวลานี้ถูกต้องไหมครับทำวัดเย็นก็ทำสมาธิต่อการทําวันวัดเย็นต้องทำเวลาไหนถึงจะเหมาะสมครับก็เวลาที่เราสะดวกของเราคือเวลาเราปรับได้ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วก็ให้ทาให้มากมาก วันมีต้องยี่บสี่ชั่วโมงทำไมเอาแค่สองชั่วโมงเก็อยี่สบกว่าชั่วโมงเราไปทำอะไรหมดคำถามจากผู้ฝากถามถ้ามีคนกำลังคิดจะฆ่าตัวตายแล้วโยมพูดหวานล้อมต่างๆนานาเพื่อให้เขาคิดเลิกฆ่าตัวตายซึ่งที่พูดไปบางอย่างก็เป็นเรื่องโก ห, โ ก, หกเขาแบบนี้โยมจะบาปและผิดศีลไหมคะเพราะเจตนาของเราอยากช่วยชีวิตเขาค่ะ มันก็เป็นการโกหกมันก็บาปเป็นการพูดปลดก็อย่าไปพูดเสความอยากมันก็จะทำให้เราไปทำบาปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีก็ตามก็มีวิธีพูดที่ไม่ต้องพูดโกหกก็ได้พูดความจริงไม่ดีกว่าเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเเรารู้ว่าเราโกหกทีหลังเขาก็ไปฆ่าตัวตายต่ออยู่ดีงั้นอย่าไปโกหกพูดความจริงดีกว่า คำ ถ, ถามจากคุณกฤิในขณะนั่งสมาธิแล้วรับรู้ความรู้สึกหรือรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นบนร่างตลอดกายทั่วทั้งล่างแล้ววางอุเบกขาต่อความรู้สึกนั้นๆเป็นการวิปัสนาหรือไม่ครับก็พิจารณาว่ามันเป็นไม่เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เราต้องปล่อยวางมันไปตามความเป็นจริงของมันก็ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนา ต้องเห็นใจรักในความในอาการความเจ็บต่างๆคําถามจากผู้ฝากถามครอบครัวที่เพิ่งสูญเสียผู้นําครอบครัวไปผู้อยู่ข้างหลังเป็นทุกอย่างมากกราบขอความเมตตาพระอาจารย์แสดงธรรมโปรดศัตว์ผู้ยังมีทุลีในความในดวงตาให้คลายทุกข์ด้วยเถิดเจ้าค่ะที่ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้เขาจากไปแล้วอยากให้เขากลับมา พอก็ไม่กลับมาพอก็จากไปก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปอยากให้เขาไปเวลาเขาไปแล้วเราก็จะสุขกันเช่นถ้าเราเกลียดใครนี้พอก็าตายไปนี้เราจะดีใจเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับคนที่ตายไปเราก็อย่าไปรักเขาเกลียดเขาเสียแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา พราะเขาไปแล้วอยู่ดีไปทุกข์กับเขาทำไมคําถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งหนูจะรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่มีพนักงานขายประกันหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินโทรมาแรกๆก็ตอบว่าเข่าไปเพราะลบกวนเวลาของหนูแต่หลังๆมานี้ไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาแต่ในใจมันก็รู้สึกหงุดหงิด เพียงแต่ก็รู้สึกก็ปล่อยวางได้เพราะคิดว่ามันเป็นอาชีพของเขาบางครั้งก็รู้สึกสงสารเขาด้วยซ้าถามว่าถ้ากำลังสติหนูมากและไวพอมันจะเฉยและไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะก็ลองทำดูเลยข้อที่สองวันก่อนหนูได้คุยกับพี่คนหนึ่งเขาผูเขาผูาผชงเปรียบเทียบ ว, ว่าเขาดีเขาเก่งกว่า แล้วหนูรู้สึกเลยว่าไม่ชอบใจแล้วก็บอกตัวเองว่าอัตตามานะมาแล้วจากนั้นก็ฟังเขาคุยจนจบพอกลับมาอยู่คนเดียวก็พยายามพูดโทรพูดโทแต่มันก็ดิ้นไปคิดหนูก็คิดว่าที่เขาพูดมันจบไปแล้วเขาจะเก่งกว่าดีกว่าก็เรื่องของเขาตอนนี้มีแค่เรากับกิเลศตัวอัตตามานะเทียบเขาเทียบเรา หนูขออุบายวิธีแก้ปัญหาอาัตามานะเทียบเขาเทียบเราด้วยค่ะก็ทำตัวให้เป็นตัวรู้อย่าไปทำตัวที่เป็นตัวตนตัวรู้ไม่มีสูงไม่มีต่ำตัวรู้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าเขาดีกว่ารู้ว่าเขาไม่ดีก็รู้เท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาตัวตนออกไปรับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราจึงต้องมาฝึกให้สักแต่ว่ารู้ วิธีที่จะสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องทําใจให้สงบเป็นสมาธิดังั้นก็คนที่จะมาฝึกจเจริญสติอยู่บ่อยๆเพื่อแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาแล้วพอไปได้ยินได้ฟังอะไรใครเขาพูดอะไรก็จะฟังเฉยๆโดยที่จะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาจะเอาแต่ตัวรู้ไปรับเท่านั้นเองข้อที่สาม บางครั้งหนูรู้สึกโกรธและทุกข์ใจเวลามีเหตุให้คิดถึงเรื่องที่ทําให้หนูเสียใจหนูทุกข์ใจทั้งที่มันผ่านมาแล้วหนูควรจะทําอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจกับปัญหาเดิมๆอีกคะเพราะไม่มีสตินืงใจให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดไหลไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้างใจก็เลยไปวุ่นวายกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าอยู่กับปัจจุบันก็จะไม่มีเรื่องที่เป็นอดีตไม่มีเรื่องที่เป็นอนาคตนการที่จะทําให้ใจอยู่ปัจจุบันได้ก็ต้องมีสตินี่เองพอใจจะไหลไปทางอาดีตก็ใช้พุทโธดึงไว้ก็ได้รลดกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วใจก็จะกลับมาที่ปัจจุบันเรื่องในอดีตมันก็จะหายไป รวดเร็วดีมีใครอยากจะถามไห ม, มใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาได้นะอการดื่มน้ําปานะค่ะมีจํากัดไหมคะเช่นถ้าเราจะเอาผลไม้มาใส่เครื่องแยกกะเป็นทําเป็นน้ําผลไม้แยกกะค่ะต้องได้เฉพาะผลไม้บางอย่างหรือว่าได้ทั้งหมดอะคะคือการทําน้ําปานะตามหลักพ่อวิเนยต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้น คือถ้ามาละกอ น, นี้มันใหญ่ไปแล้วส้มโอนี้ใหญ่ไปแล้วมะพร้าวนี้ใหญ่ไปแล้วต้องเอาที่มันขนาดกำปั้นเล็เลกๆกว่าเช่นสม้มแอปเปลิลมะม่วงนี่อาจจะก็อาจจะอยู่ในขายที่ยังใช้ได้อยู่แต่ความจริงมันต้องเป็นน้ำไม่ใช่เป็นเนื้อสมัยนี้มันเอาเนื้อมาปั่นจนเป็นน้ำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันต้องกรองอีกทีหนึ่งกรองไม่ให้มีกาบ ให้มีแต่เนื้อเพียงอย่างเดียวเจน้ำส้มนี่พอบีบคั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้ามากรองเอาพวกเนื้อส้มออกไปกให้เหลือแต่น้ำอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเรียกว่าน้ำป่านะถามอาจารย์ค่ะการตัดกรรมยังตัดได้จริงไหมคะกรรมาละกรรมที่ทําปล้ไปตัดมันได้ไงกรรมที่ทํำไปแล้วมันก็จะต้องส่งผลไปถึงเวลามันก็ต้องออกดอกออกผลมัน จะตัดได้ก็กรรมใหม่ที่เรายังไม่ได้ทำเท่านั้นเองก็คืออย่าไปทำกรรมใหม่อย่าไปทำบาปใหม่ทำบาปเก่าทำไปแล้วไปตีหัวเขาแล้วเราบอกให้เขาไม่มาโกรธเราไม่ได้หรอกไปตีหัวเขาแล้วเขาก็ต้องโกรธเราเขาก็แค้นเราเขาก็อาฆาตพยาบาทเราถ้าเราไม่อยากให้คนที่เขายังไม่ได้อาฆาตพยาบาทเราอาฆาตพยาบาทเราเราก็อย่าไปตีหัวเขาเลย พระอาจารย์เจ้าค่ะมาฟังทำแล้วมีความธธรู้สึกซาบซึ้งอ่ะพระอาจารย์ผมีสิทธิ์ไหมเจ้าค่ะชาตินี้ก็ถ้าปฏิบัติไปก็มีสิทธิ์ทุกคนฟงังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวยังไม่พอฟังเพื่อเอาไปปฏิบัติ่ยยอางที่วันนี้สอนให้ทําอะไรถ้าเอาไปทําได้ก็มีมีสิทธิ์หลุดพ้นได้สาธุสาธุถ้าไม่ทําก็ไม่ดุซาบซึ้งอย่างเดียวยังไม่พอ ขอถามพระอาจารย์นะครับว่าสมมติว่าเมื่อเราได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วเราได้ทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วถ้าเมื่อเราก่อนที่จิตเราจะตายเราได้นึกถึงความดีที่เราทําแล้วถ้าเราเสวยสุกแล้วเราจะต้องกลัมารับผลกรรมอีกในตอนเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าตอนไหนครับถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่มันเกิดเกกรรมมันมีตั้งแต่เวลาเราไปแล้วมันก็รับผลทันทีไปเป็นเปรไปเป็นเทวดานี่ก็เป็นวิบากแล้วที่เรา เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปแล้วพอกลับเป็นมนุษย์มันก็ยังมีของตกค้างอยู่ก็มารับวิบากต่อไปจะไม่มีวิบากก็ไปนิพพานที่เดียวเท่านั้นเองถ้าทำจิตให้หลุดพ้นไม่ไปทิพเกิดแก่จิตไม่ไปเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีวากไม่มีวิบากต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานตาสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่มีวิบากแล้วแต่ถ้ายังต้อง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะไปเกิดสงสูงต่ำต่ำตามวิบากกรรมที่เราทำไว้ถ้าทำบุญรักษาศีลก็จะไปเป็นเทวดานั่งสมาธิก็ไปเป็นพรหมแต่มันก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับวิบากที่ยังมีเหลืออยู่ต่อถ้าไปถ้าทำบาปไม่รักษาศีลไม่ทำบุญก็ไปอาบายแทนไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนกรกก พอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจนะ ค, คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณนัทนะครับข้อปฏิบัติในการจะบรรลุระดับโสดาบันต้องมีอะไรบ้างในฐานะที่ผมเป็นผู้มาใหม่ และสนใจในธรรมขอความกรุณาให้แนวทางเพื่อไปปฏิบัติครับก็ต้องมีศีลศีลก็ศีลแปดเพื่อที่จะได้เจริญสตินั่งสมาธิให้มีสมาธิขึ้นมาเมื่อมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาของพระโสดาบันได้ก็พิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็น อ, อนิจจทุกขงกังนะตาไม่มีตัวไม่มีตน ก็จะปล่อยวางขันห้าได้ก็จะละส ก, กายทิฏฐิได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะกาจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ก็จะเห็นว่า <c oughs> ความสุขความทุกข์นี้อยู่ที่ความอยากอยู่ที่การกระทาของตนเองไม่ได้อยู่กับพิธีกรรมต่างๆก็เวลาเกิดความทุกข์ก็จะมาแก้ที่ ท, ที่การกระทาของตน ไม่ไปแก้ด้วยการไปบวงสรวงไปขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมาแก้ให้อันนี้ก็จะเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันได้คาถามจ้าคุณศินีการที่จะได้โสดาปฏิผลสติต้องต่อนเนื่องจนเป็นอัตโนมัติก่อนหรือไม่คะก็ต้องทำให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิจะได้พิจารณา ขันห้าได้พิจารณาร่างกายว่าต้องเจ็บต้องตายได้แล้วก็ปล่อยวางความเจ็บความตายได้คำถามจะคุณปูนิ่ม<อ>การที่จ้างบริษัทมากำจัดมแมลงที่บ้านถือว่าบาปมากไหมเพราะมีมะแมลงเยอะมากไม่ว่าจะปวกหรือมดครับเพราะจะส่งกับการปฏิบัติให้อยู่ในศีล อยู่ที่จ้างเขาแบบไหนถ้าไปสั่งเขามาทำก็บาปถ้าถามเขาแล้วเาสายมาทำให้เองก็ไม่บาปเช่นโทรไปถามว่าที่บริษัทกําจัดปลวกหรื อ, อยังไงที่บ้านมีปลวกเยอะหรือเกินเขาบอกไม่เป็นไรครับผมจะมาจัดการให้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งเขาเราเพียงแต่ถามเขาแต่ถ้าเราสั่งว่าคุณช่วยมากาจัดปลวกให้หน่อยสินะอาเงี้ยบาป เพราะทเองก็ดีหรือสั่งให้เขาทําก็ดีก็ถือว่าบาปงั้นบางทีต้องรู้จักกุสโลบายเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่ากุสโลบายการพูดที่จะทําทให้ไม่เกิดการกระทาบาปขึ้นมาอย่างภาพบางทีต้องให้ญาติโยมตัดกิ่งองอกิ่งไม้ก็บอกโยมเอ้กิ่งไม้นี้มันมาพันกุฏิแล้วนะมันจะทําให้หมดขึ้นได้อะไรก็ว่าไปถ้าญาติโยมฉลาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้ ยมฆ่าต้นไม้ไม่ไม่ไมไมไมบาปแต่พ้ะฆ่ า, าถ้าพระไปฆ่าต้นไม้ถือว่าผิดเราะามี่ไหนทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้กุศโลบายบอกว่าเนี่ยต้นไม้มันมันมาเกะ ก, กะลางคาเดี๋ยวมดขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรต่างๆเขาพูดไปเพียงแต่บอกเขาเขา เ, ขาเรียกว่าบอกบุญไงกว่ากุศโลบายแล้วแล้วแต่คนฟังว่าจะฉลาดหรือโง่ถ้าโ ง, ง่ก็ ก็รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป <c oughs> ก็แล้วไปก็ต้องไปคุยกับคนที่ฉลาดถ <c oughs> ้าคนฉลาดก็เดี๋ยวเขาอาสาจัดการได้เองคำถามชะคุณอะสุนีขณะนั่งภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ไปได้ระยะหนึ่งต่อมาจิตนึกออกไปข้างนอกพอรู้ก็กลับมาอยู่ที่ก็กลับมาอยู่กับ มาตามดูอยู่กับลมหายใจสักพักก็ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่จิตที่นิ่งยึดเลยนานๆโอ้ยไม่รู้เรื่องเขียนงงข้าไปก่อนแล้วนะครับงงา่าคคำถามทีคุณแคสนะครับอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีเริ่มต้นเดินจงกรมคะ่ะ ก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็มีสติอยู่การเดินอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้อยู่ที่เท้าเหมือนทหารก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็เดินไปซ้ายไปขวาไปให้มีสติให้รู้อยู่ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายหรือกําลังก้าวเท้าขวาเดินไปประมาณสักยี่สิบเก้ายี่สิบห้าเก้าก็หยุดแล้วก็หมุนกลับมา ปกติทางเดินโงมกลงนี่จะประมาณยี่สิบห้าเก้าเป็นประมาณเป็นระยะทางที่พอดีสั้นเกินไปเดี๋ยวมันก็จะเวียนศีรษะก็ยาวเกินไปมันก็จะกินที่มากหาที่ลำบากเก้เาที่ประมาณสักยี่สิบ้าเก้ากำลังดีเดินไปเพื่อเปลี่ยนเอริยาบทบางทีเรานั่งนานๆแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลุกขึ้นมาเดินเพื่อเปลี่ยนเริยาบท แต่การเจริญสติหรือการเจริญปัญญาของเราก็ทำต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งหรืออยู่ในท่าเดินถ้าเราเจริญสติในท่านั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือบริกรรมพุทโธไปถ้าเราเดินจงกรมเราก็จะดูเท้าก็ได้หรือเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป้าหมายก็คือเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจมีอะไรทามีงานทา เมื่อมันทำงานได้แล้วมันก็จะไม่สามารถไปทำงานอื่นได้นั่นเองไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คําถามจะคุณจิตอารีได้ลองนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธระหว่างนั่งรู้สึกตัวหนักมากหายใจไม่คล่องควรจะปรับการทำสมาธิอย่างไรดีคะแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยกิเลสมันต่อต้านมาก มันเลยทาให้รู้สึกหนักรู้สึกอึดอัดอันนี้เป็นผลของสติที่ไม่ของกิเลสที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆกิเลสชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสพพอให้มันอยู่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดยาติดสุราเวลาไม่ได้ดื่มเวลาไม่ได้สูบเนี่จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมา นั้นถ้าสติเรามีกำลังน้อยจะนั่งไม่ได้จะรู้สึกอึดอัดก็ต้องหัดจเจริญสติก่อนอย่างที่สอนพยายามเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้เพื่อดึงจิตไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลดไม่ให้ไปหาสิ่งต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอถ้าเราดึงจิตไว้ได้แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะไม่รู้สึกอึอดอัด มันจะรู้สึกสบายคำถามจะคุณโชติการนะครับคือตัวลูกเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมคะมีบุญสิคนไม่มีลูกมันจะไปไม่มีบุญได้ไงคนมีลูกมันเป็นคนมีกรรมถามคนมีลูกก็ดูนะ คำถามจะคุณฉวีวันถ้านั่งสมาธิอยู่มดกัดควรทำอย่างไรทนต่อไปหรือหยิบออกได้ไหมคะถ้าอยากจะนั่งโดยที่ให้มันต่อเนื่องก็ปล่อยมันกัดไปจิตก็จะได้ปล่อยวางเวทนาได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปหยิบมันจิตก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เหมือนเดินไปได้ครึ่งกิโลแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ จุดเริ่มต้นใหม่ถ้าอย่าไปสนใจมันปล่อยมันกัดเดี๋ยวมันกัดเสร็จมันก็มันก็ปล่อยแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินต่อไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ความสงบลึกเข้าไปคำถามจากคุณแอมตอนบวชใหม่ๆพระอาจารย์มีอุปสรรคอย่างไรบ้างคะก็มีกิเลนนี่แหละเป็นอุปสรรค กลสมันก็ไม่ชอบให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็อยากจะให้เราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเองแต่ว่าเรามีปัญญาคอยเตือนใจว่ามันเป็นความสุขปลอมไปแล้วเดี๋ยวกลับมามันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆซื่อยอมทนกับความทุกข์อันนี้เหมือนกับคนที่จะเลิกบุหรี่เลิกสุราดีกว่าเพราะพอเราเลิกได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ ควาว่นวายให้กับเราเวลาที่มันมีความทุกข์ก็พยายามใช้สติใช้สมาธิช่วยพยายามนั่งสมาธิพยายามร ะ, ะลึกถึงพุทโธหรืออ่านหนังสือธรรมะไปเพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะไปเที่ยวพอดึงกลับมาได้ใจก็สงบก็หายทุกข์ได้แต่มันก็เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่แต่มันจะเบาลงไปเรื่อยๆ กำลังของความอยากไปเที่ยวนี้มันจะน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีกําลังที่จะดึงให้ไปไหนได้คําถามจ้าคุณทวิชานะครับแม่สามีให้ซื้อยาฆ่ า, มาแมลงให้ดิฉันก็ไม่ซื้อแต่เขาไปซื้อเองและมาเก็บเงินที่ดิฉันอย่างนี้ถือว่าดิฉันบาปด้วยหรือเปล่าคะ ถ้าเราสั่งให้เขาไปซื้อแล้วเราจ่ายเงินให้เขามันก็บาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาไปซื้อเองแล้วเขามาขอเงินเราแล้วก็ให้เงินเขาไปอันนี้เราเป็นเราทาบุญไปส่วนเงินเขาจะไปทำอะไรนี่เราไม่ได้สั่งเราไม่ได <m ere kin> ้บอกก็ไม่ถือว่าเป็นการทำบาปแต่ถ้าเขามาบอกว่าขอเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าซื้อยาค่าแมลงนี่เราก็บอกนี้เราก็ให้ไม่ได้แต่ถ้าเขามาขอเงินเฉยๆจากเรา โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้อะไรเราก็ไม่ต้องให้เราก็ให้เขาไปได้อ๋อหมายความว่าถ้ารู้เนี่ยต้องไม่ให้ใช่ไมครับอาจารย์ถ้าก็บอกเลยถ้าก็บอกว่าจะขอเอาเงินนี้ไปซื้อยาหรือไปซื้อยาฆ่ า, มาแมลงมาแล้วขอเงินค่าขอเงินที่เอาไปใช้ซื้อค่ายาค่านี้มาถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็บอกเราให้ไม่ได้ ถ้าจะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินเราให้ได้ไปซื้อขนมกินไปเอาไปทําบุญนี้เราให้ได้แต่ถ้าจะเอาไปสําหรับไปซื้ อ, อยาฆ่ามาแมลงนี้เราให้ไม่ได้แล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยครับอาจารย์มีกุศโลบายใดที่จะผ่านไปได้ครับอาจารย์กุศโลบายในการ ถ, <c oughs> ถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดเรารู้ <c oughs> แต่เลี่ยงไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ทำเป็นลืมเป็นสิ่งทมันหูตึงไปหมทุกคว อ๋อเขาว่าเป็นคอมเมนต์อินคำถามจากคุณนางฟ้านะครับข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิมักปวดขาข้างหนึ่งเป็นประจำเป็นช่วงนั่งสมาธิประมาณสี่สิบนาทีพิจารณาเวทนาก็ทำให้เบาลงสักพักก็ปวดทรมานเหมือนเดิม ทำให้ต้องออกจากสมาธิก่อนเพราะทนปวดไม่ไหวมีวิธีไหนที่จะต่อสู้กับกิเลสตัวนี้บ้างไหมคะเพื่อจะได้ผ่านไปได้ก็พิจารณาสิเวลามันเวลามันจะโปวดขึ้นมาก็พิจารณาก็เมื่อกี้บอกพิจารณาแล้วมันก็เบาลงก็พิจารณาไปใช้การพิจารณาไปเวลามันปวดมากขึ้นก็พิจารณาไปทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอยู่กับมันได้ ข้อที่สองเวลานอนชอบฝันกลางคืนส่วนใหญ่จะฝันร้ายคืนหนึ่งฝันหลายเรื่องอยากทราบว่าเป็นเพราะจิตเราฟุ้งซ่านไปไหมคะทําอย่างไรให้จิตเราไม่ฝันตอนกลางคืนบ้างคะเรื่องฝันดีฝันร้ายนี่มันเรื่องของบุญของบาปที่เราทําในขณะที่เราตื่นนะเจ้าเจ้าบอกคนทําบุญนี้นอนหลับจะฝันดีคนทําบาปนอนหลับจะฝันร้าย คนที่จะไม่ฝันก็ต้องมีสติมากทำใจให้สงบได้ก็จะไม่ค่อยฝันดังนั้นก็ถ้าไม่อยากจะฝันร้ายก็พยายามทำบุญทำความดีเดต่อไปฝันร้ายก็จะไม่มีจะมีแต่ฝันดีถ้าไม่อยากจะฝันก็หัดนั่งสมาธิฝึกสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปุุงแต่งพอจิตสงบจิตก็จะไม่ฝัน คำถามจะคุณโมนีที่พระอาจารย์กล่าวว่าทาบุญมากก็จะได้บุญมากหมายถึงความถี่ในการทาบุญใช่หรือไม่คะเพราะถ้าหมายถึงจำนวนเงินที่ทำใครทาบุญด้วยจำนวนเงินมากกว่าก็จะได้บุญมากกว่าแบบนี้คนที่ไม่มีเงินมากแต่มีใจที่อยากจะทาบุญมากกว่าคนที่มีเงินมากแต่ทาเพราะอยากเอาหน้าว่าทาบุญด้วยเงินจานวนเยอะ ทั้งทางที่ใจก็ไม่ได้อยากทำแต่ทำเพราะอยู่ในสังคมที่นับถือคนที่มีเงินเป็นใหญ่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยนี้ชี้แนะคือการทำบุญด้วยเงินเนี่ยมันมันมีหลายลักษณะด้วยกันดังนั้นบางทีฟังแล้วมันอาจจะสับสนไม่เข้าใจกันที่บอกว่าที่ทำมากแล้วได้มากก็เกิดสำหรับคนคนเดียวกันนี่ ถ้าเราทำร้อยบาทกับเราทํำพันบาทเนี้ทํำพันบาทมันก็ต้องได้มากกว่าทำร้อยบาทแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันละเช่นเราเป็นคนที่มีเงินน้อยเราทำร้อยบาทนี้เหมือนกับเราทําครึ่งหนึ่งสมมุติเรามีเงินสองร้อยแล้วเราสละไปครึ่งหนึ่งทำร้อยหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเขาทำร้อยหนึ่งเหมือนเราแต่เขามี เงินพันบาทเนี่ยสรุปว่าเขาทําน้อยกว่าเราถ้าพูดถึงสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่เราทําร้อยละห้าสิบเขาทำร้อยละสิบคนที่ทําร้อยละสิบจะมีความรู้สึกสุขน้อยกว่าคนที่ทําร้อยละห้าสิบแต่จำนวนเงินเท่ากันยังน้งก็บอกว่าคนที่ทําทําน้อยแต่กลับมีบุญมากกว่าก็ได้ในใจเขาเขามีความสุขมากกว่า แต่เราก็ต้องเปรียบเทียบ ว, ว่าเขาคนที่มีเงินน้อยก็เป็นเหมือนคนที่มีร่างกายเล็กคนที่มีเงินมากก็เป็นเหมือนกับคนที่มีร่างกายใหญ่เช่นช้างกับหนูอย่างเงี้ยหนูกินข้าวแค่ช้อนสองช้อนก็อิ่มแล้วถ้าให้ช้างกินข้าวช้อนสองช้อนมันจะไม่รู้สึกอิ่มมันจะต้องกินสักครึ่งถั ง, งนี้ถึงจะอิ่มแล้วงานที่ทำก็ต่างกันหนูก็ทางานได้ไม่มาก เหมือนกับชา้างะยั้นอนิสงฆ์ที่ได้รับจากการทําบุญของหนูกับของช้างจะไม่เท่ากันเช่นเราทําบุญถึงแม้ว่าจะเป็นร้อยละห้าสิบคือหนึ่งร้อยเนี่ยชาติหน้ากลับมาเราก็จะได้เงินร้อยบวกกับดอกเบี้ยที่เราทําไว้แต่ถ้าคนที่เขาเป็นระดับช้างเขาทำสองพันเขากลับมาเกิดชาติหน้าเขาก็จะได้สองพันบวกกับดอก อันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณเงินที่เขาทำกันแต่ความสุขในขณะที่ทำคนที่มีเงินน้อยกว่าใช้เงินน้อยกว่าทำกลับจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินมากกว่าก็ได้ถ้าดูปริมาณเงินตามร้อยสัสดส่วนของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้าเราสละร้อยละห้าสิบกับอีกคนหนึ่งสละร้อยละสิบทั้ง่านที่เงินของคนที่สละร้อยละสิบนี้มากกว่าเงินของคนสละร้อยละห้าสิบ แต่ความอิ่มเอิบใจสุขใจของคนที่สละร้อยละห้าินี้มันมีมากกว่าเหมือนช้างที่กินข้าวสองช้อนกับแม่กับกับหนูที่กินข้าวสองช้อนเนี่ยหนูมันจะอิ่มกว่าช้างแน่นอนช้างจะไม่รู้สึกอิ่มเลยอันนี้ก็เรื่องของปริมาณของเงินและประโยชน์ที่เกิดจากการกระทาคนที่ถวายสองพันย่อมสร้างประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ถวายสอง เวลาสร้างกุติเขาไม่ดูหรอกว่าคุณตัวใหญ่ตัวเล็กเขาดูเงินที่เราจะไปซื้อของมาถ้าเรามีเงินมากเราก็จะซื้อของมาสร้างได้มากมีเงินน้อยก็ซื้อของสร้างได้น้อยดังนั้นมันมีมันมีมติหลายมิติที่เราจะน้องมองกันนี่เวลาพูดบางทีมันถามแล้วก็ตอบแบบในมิติเดียวแล้วไปคิดอีกมิติหนึ่งมันก็เลยสับสนกันเลยอาจจะไปคิดว่า คนยากคนจนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำบุญแล้วมีบุญได้เหมือนกับคนที่ร่ำรวยคนยากจนมีข้าวช้อนเดียวใส่บาตรก็มีบุญได้มีความสุขได้ถ้าเ็ามีข้าวอยู่สองช้อนแล้วก็แบ่งไปช้อนอย่างนี้อันนี้เขาก็มีความสุขจากการเสียสละของเขาอันนี้เป็นเรื่องบุญที่เกิดจากการให้ทาน และยังมีบุญอย่างอื่นที่เราสามารถทําได้ที่มีมากกว่าได้มากกว่าจากการให้ทานอีกเช่นเราเป็นคนยากจนเราไม่มีเงนินไม่มีทองเราก็ไปรักษาศีลไปภาวนาเราก็จะได้บุญมากกว่าคนที่มีเงินห้อยล้านพันล้านทําบุญซีเพราะบุญมันอยู่คนละระดับกันมันมีบุญอยู่สามระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนามีความมากน้อยต่างกัน อยนั้นอย่าไปรู้สึกน้อยใจที่เราเป็นคนจนเพราะคนจนนี่แหละจะเป็นคนมีโอกาสไปทําบุญมากกว่าคนรวยมีโอกาสไปบวชไปภาวนาได้ดูครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาลันต์นี่ท่านเป็นลูกคนรวยที่ไหนท่านเป็นแต่ลูกชาวนาชาวไร่ทั้งนั้นพวกที่เป็นลูกเศรษฐีลูกปราชญชามหากษัตริย์นี่ไปบวชไม่ได้กันได้แต่ทําบุญะ เั้นผลที่ได้รับต่างกันเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปพระนิพานกันไปอยู่กับพระเจ้ากันเป็นพระราชาลูปของพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีอย่างมากก็ทําบุญรักษาศีนตายไปก็ไปเป็นเทวดากันเท่านั้นฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีแล้วการที่เราเป็นคนจนนี้มีโอกาสที่จะได้ทําบุญมากกว่าคนที่เป็นคนรวย น้นเราอย่าไปมองบุญที่ตัวเงินตัวเดียวเพราะการทำเงินด้วยบุญนี้ได้อันนิ้งสงได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลต่อการภาวนานั่นเองคำถามจากคุณแอมนะครับตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแต่ชอบเผลอกั้นหายใจยาวและกลับมาหายใจเข้าออกต่ออย่างนี้ผิดใช่ไหมคะ อย่าไปกั้นลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจเราไม่ต้องการที่จะไป ค, ควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปทำอะไรการไปทาไปกั้นลมหายใจนี่ก็เป็นการให้ใจไปทำงานแล้วเราไม่ต้องการให้ใจทำงานต้องการให้ใจหยุดทำงานให้ปล่อยวางทุกอย่างให้เพียงแต่ใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเม่เพื่อจะได้ไม่ไปคิดไปทาอะไรต่างๆ เเวลาดูลมหายใจอย่าไปบังคับลมให้รู้เฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมละเอียดหรือหยาบก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองคำถามจากคุณ UBA นะครับใครเป็นคนจดบันทึกให้เราคะว่าทำบุญมากหรือน้อยทำมากทำบาปมากหรือน้อยต่อไปเรา ได้เกิดชาติหน้าดีหรือไม่ดีเกิดในครอบครัวมีเงินหรือไม่มีเงินก็กดแห่งกรรมไงกรรมนี่เป็นผู้กําหนดกรรมนี่เป็นผู้ให้กําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชื่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคําถามจากคุณอุดรนนะครับหนูมีเงินน้อยอยากทําทาน เข้ามาก็เอาข้าวมาหวานให้นกก็ได้ใช่ไหมคะได้มีอะไรให้ไปก็ถือว่าได้ทําบุญแล้วอะไรทาทานแล้วถ้าเป็นของของเราเนะียอย่าไปขโมยของคนอื่นมาทําำอย่างนั้นก็จะไม่อาจจะได้บุญแต่ไม่คู่กับบาปที่ไปทําไว้คือไปขโมยของเขามาทำํำก็จะได้บาปที่เกิดจากการลักทรัพย์ไปด้วยติดตัวไปด้วยคําถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขานะครับ มีอาคารภาวนาสองหลังพระอยู่ภาวนาแยกกับแม่ชีคนละอาคารมีคนกล่าวหาพระนอนกับแม่ชีพระจะผิดวินัยไหมครับก็อยู่ที่ว่าจริงหรือไม่จริงไงถ้าจริงก็ผิดถ้าไม่จริงก็ไม่ผิดจากคุณเลศนะครับเวลาเราจับวัตถุมงคลทําไมเราจึงมีความรู้สึกขนลุกคล้ายๆลกระแสะไฟฟ้าวิ่งในร่างกายเป็นเพราะอะไรครับพระอุปทาน่ หมดครับพระอาจารย์หมดแล้วเหรอนี่มีใครอยากจะถามไหมยังมีเวลาอยู่บ้างนะ เ, เดี๋ยวจะให้เวลาคิดก่อนก็ได้พระอาจารย์คะถ้าเกิดเรานั่งปฏิบัติเรานั่งหลังตรงแต่ว่าเราพิงหลังละคะอันนี้จะทำให้ปฏิบัติได้ไม่ดีหรือเปล่าะคะก็ดูไปที่พิงหลังโกมันจะสบายแล้วเดี๋ยวมันจะเผหดับได้ถ้าไม่มีอะไรที่พิงจะดีกว่ามันจะได้ไม่สบายเกินไป แต่สังเกตดูก็แล้วกันถ้าเพียงแล้วไม่ดับก็ไม่เป็นปัญหาอะไระถามได้เลยค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะจะถามหลวงพ่อว่าเออคือหนูเคยไปปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วก็นานมากปีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เ อ, อ, เ อ, อปิดวาจาอะไราพวกเนี้ยค่ะทีนี้ว่า สภาวะที่ที่ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเจ็ดวันมันมันมันเยอะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปไวแล้วทีเนี้ยสภาวะสุดท้ายที่เจออ่ะก็คือว่าเหมือนเราพนมมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมีประจุไฟฟ้าหรืออะไรแบบป๊ะแ ป, ะแปะ๊ที่ปลายมือตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหมือนมีดูดดูดกันที่ปลายมื อ, อเคลื่อนไหวม้วนๆอย่างเงี้ยค่ะผลผลผลพวกนี้เป็นผลข้างเคียงอย่าไปสนใจค่ะผลที่เราต้องการก็คือใจที่นิ่งสงบ ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ควบคุมความคิดได้อันนี้คือผลที่เราต้องการจากการไปปฏิบัติค่ะแล้วหลังจากนั้นหมายถึงว่าก็เป็นปีแล้วค่ะก็ไม่เคยหมายถึงว่าก็ไม่เจอสภาวะใหม่ก็เจอแต่อันนี้ตลอดเวลาเลยเราอาจจะปฏิบัติผิดก็ได้แล้วเราควรจะมีสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ อาการ ต, าต่างๆมันจะไม่เกิดส่วนหนึ่งมันเกิดจากใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองอแต่ว่าออถ้าส่วนทางด้านความคิดหนูก็ยังเห็นเห็น เ, ออเวลาความคิดที่มันพุ่งขึ้นมาอะไรพวกนี้ค่ะกรหดุดมันหย่าไปปล่อยให้มันคิดไงให้เข็นตัดพุโทโธอย่างเดียวให้มีแต่พุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆหย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว แล้วทุกเรื่องต่างๆมันจะหายไปจิตจะสงบเย็นสบายมีความสุขถ้าเราเห็นมันมันเกิดขึ้นของมันเองเราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปสักแต่ว่ารู้ไปว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันไปอย่าไปวิพากวิจารณ์ว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจนะั่นก็ค่ะ คือคือว่าทุกวันนี้ติดเฟซบุ๊กมากเลยค่ะก็เลยก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนว่าวเวลาแบบว่าเราดูเราอ่านมากๆก็จะปวดหัวหรือว่าปวดหัวก็หยุดอย่าไปอ่านพักต่มามากเกินไปก็แสดงได้เหมือนยายาที่กินมากเกินไปก็ทำให้แสดงได้ต้องพอประมาณเกี่ยวไหมคะแบบว่าถ้าสมมุติเรานั่งสมาธิเพิ่มขึ้น ตรงนี้มันหมายถึงว่าเล่น facebook มันหมายถึงว่าดูดพลังเราไหมคะเวลาเล่นมันดูดมันดูดไปเพราะเราต้องเหนื่อยกับการอ่านความคิดปรุงแต่งของเราต้องใช้จิตทํางานมากก็เหมือนทํางานอะไรทั่วไป <c oughs> ถึงแม้จะเป็นธรรมะก็ตามมันก็ยังใช้พลังจิตอยู่ยิ่ง <c oughs> เราต้องหยุดมันบ้างปิดเ facebook ปิดเครื่องเปิดเฉพาะเวลาที่เรากําหนดไว้ไม่ใช่คอยติดตามอยู่ทุกห้านาทีสิบนาทีนะ <c oughs> <c oughs> มันเปิดวันละแค่1ิบนาทีสิบ้านาทีก็พอเอาเวลามาพุทธโทพุทธโทมานั่งสมาธิดีกว่าค่ะแล้วหลวงพ่อมีหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ย อ, อย่างปกติไม่ไม่ได้ปฏิบัติที่วัดอยู่อยู่ที่บ้านวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะทำวันสักกี่นาทีค่ะ อ่แหมเวลาไปเอาเงินที่ธนาคารจะไปเอาก็าให้กี่นาทีเราจะเากี่นาทีดีเหหมายถึงว่าอยู่หมายถึงว่าต้องไปการ ป, ปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการขุดทองอ่ะคุณจะเลือกเวลาขุดไหยถ้าเป็นทองเนี่ยขุดมันสิมีเวลาเท่าไหร่ก็ขุดมันไปหมายถึงว่าว่างก็ขุดไปตลอดใช่แหม่ดีไม่ดีถ้าไม่ว่างก็ต้องให้ทําให้มันว่างในงานอย่างอื่นก็ตัดมันไปทิ้งมันไปเพราะงาน งานพุทโธงานปฏิบัติน mm hmm. uh> um ี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่างานอย่างอื่นค่ะขอบคุณค่ะมีใครอยากจะถามไหมอ่าต่ออยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังค่ะพระอาจารย์นะคะคือหนูมีปัญหาว่านั่งสมาธิแล้วหนูจะชอบง่วง ตลอดเวลาทีนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเพราะว่าสติไม่มากพ อ, อก็เลยทําให้ยังง่วงค่ะ<ช>แต่ทีนี้พอพอเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าตอนเรานั่งเราก็รู้ตัวพร้อมกับรู้ตัวง่วงไปพร้อมๆกันเนี้ยค่ะเหมือนมันดึงกันอยู่สองตัวตลอดเวลาค่ะอาจารย์เราต้องมีสติอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นพยายามไม่มีอะไรผูกใจไว้สติ ให้ดูลมก็ได้ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ถ้ามันง่วงส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปผู้ที่ปฏิบัตินี้จึงมกักจะต้องถือศีลแปดกันไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเวลาตอนนั่งสมาธิตอนเย็นตอนคืนมันก็จะไม่ง่วงถ้ากินอาหารเย็นแล้วไปนั่งเเดี๋ยวมันก็ง่วง แสดงว่ามันก็ต้องไปจํากัดเรื่องอาหารจนเองแล้วนี่วะพระอาจารย์คะแล้วบางทีอย่างอาการง่วงมันไม่ได้มาแค่เฉพาะตอนนั่งจเออนั่งสมาธิค่ะบางทีเราเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้ค่ะมันก็จะเหมือนรู้สึกมีอะไรมากดเราตลอดเวลาเพราะว่ากิเลสมันจะต่อต้านนี ยีเลศมันชอบลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราเดึงให้มันอยู่กับเรื่องหนึ่งมันก็จะมาสร้างอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาต่อสู้กันต้องพยายามสู้กับมันไปอย่าไปสนใจกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ถ้าเราชนะมันเดี๋ยวความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีต่างๆก็จะหายไปใจก็จะเบาสบายสว่วนหนูก็คือต้องอดท น, อ, ดทนอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วขยนันเจริญสติไปก่อน เตินขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายทำอะไรก็ให้อยู่กับการทำงานของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายขอบคุณค่ะไม่ต้องกราบก็ไววไปเลยอห <c oughs> <c oughs> เหรียกาบฟ้าจานะครับทำไมคนที่มีลูกถึงมีบาปล่ะครับไม่ได้ว่ามีกรรมเพราะว่าเลี้ยงลูกมันทุกข์ไงเดี๋ยวลูกก็เด้อลูกก็ไม่เชื่อทำอะไรก็ไม่เที่ยวฟังเลยลูกไปทาอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ลูกไปทำร้ายข้าของของคนอื่นพ่อแม่ก็ต้องมารับผิดชอบมาจ่ายค่าเสียหายต่างๆนา่เลีเ้ยงลูกมันไม่ใช่เป็นของสนุกนะ ต้องหาเงินหาทองมาให้ใช้อยู่ตลอดเวลาลูกวินนี้ไม่ต้องหาเลยใช่ไม้มอยากจะได้เงินอะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียวพ่อแม่นี้กล้จะหาเงินมาได้สักบาทนี้ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากนี่เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ว่าเป็นบาปเป็นทุกข์คนที่ไม่มีลูกเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เราอย่าไปมีลูกกนะันเข้าใจไหมเราไปลูกก็ได้แต่เราอย่าไปเป็นมิเราอย่าไปมีลูกก็แล้วกันเ่ <c oughs> อไปก็บวชนะบวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกเข้าใจไหมเข้าใจครับพูดใกล้ใกล้ไหมเนีย่ยพิจัยคำถามเรื่องการให้เจ้าหน้าที่มากําจัดปวกกับมะร็ง เราไม่ได้เราไม่ได้ติดตามเราไปเปิดดูโฆษณาเขาบอกว่าบริการกําจัดตัวกเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราเพียงแต่ไปถามเขาว่าที่บ้านเราเป็นอย่างนี้เขาจะทํายังไงดีเราก็ปรึกษาท่านเองเราไม่ได้บอกให้เข้ามากําจัดพ้าจ่ายคับถ้าเราแจ้งว่าเราขอให้เขามาฉีดเพื่อป้องกันอย่างนี้ถือว่าอย่าไปขอไม่พูดไม่ได้ไม่ไดอย่าไปพูดไปขออะไรไม่ได้นะครับคําปรึกษาได้ปรึกษา บอกสาว่าที่บ้านมีเปลืกไม่รู้จะทํายังไงดีแค่นี้เองก็พูดไปแค่นี้อีกอกคาถามประจานแล้วยุงที่มันไข่อยู่ในบอ่อน้อําเราใออส่เบ็ดไปทิ้งเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไขน่นี้เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขานี้เราเป็นไม่บาปแรอกถ้าป้องกันถ้าเขายังไม่มีถ้าเขายังถ้ายังไม่มีตัวอยู่ในน้ําแล้วเราใสา่เข้าไปถ้ามีแล้วเราใสา่เข้าไปทําให้มันตายอยานี้ถึงจะบาปเท่าน้ําบางชนิดยุง ม, มันก็จะไม่ไข่ครับ ว่ามันมีกลิ่นไม่ดีหรืออะไรไม่ดีมันก็จะไม่ไปไข่มันก็ไม่มียุงให้ใส่สารบางชนิดลงไปทําให้ยุง ม, มันจะไม่ไปไข่ในที่เหล่านั้นอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้ามีตัวตั ว, ต, วตัวลูกน้ําอยู่แล้วแล้วเราใส่ ย, ยาเข้าไปให้มันตายอย่างนี้ก็บาปถ้ามีลูกน้ำเราก็ตักมาไปปล่อยไว้ในบึง้งในบ่อที่ไหนไปอย่างพระที่วัดนี้บางทีน้ําบางทีพระใส่ถุงไว้แล้วลืมเผอไม่ได้ปิดฝาไว้ แล้วพอมาตักดูอ่ามีตัวน้ํำนะเขาก็เลยต้องเอาน้ำนั้นไปเทเท oh. ทิ้งในบอ่อในสระ oh. ก็ไม่บาปจะให้ที่อยู่เข้าไปหลวพ่อคะหนูขอถามต่อเมื่อกี้นิดนึงนะค่ะ <c oughs> เรื่องที่ <c oughs> เรื่องมีลูกนะคะ <c oughs> แล้วถ้ามีคนสองคนนะคะอีกคนหนึ่งเขามีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์ไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็แก่ไปทั้งคู่นะค่ะแต่อีกคนไม่มีลูกนะคะ <c oughs> เป็นคนสองคนที่ไม่มีลูกแล้ว พอบ้านปลายชีวิตแล้คนที่เขามีลูกก็คือมีลูกถ้าได้ลูกดีอะค่ะก็ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่แต่ละคนที่เขาไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีคนดูแลแล้วแล้วใครมันจะมีกรมมกรมร ม, มากกรรมดีกับไว้ดีว่ากกนนะคะคนที่ไม่มีลูกสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองได้จะรู้จักพึ่งตนเองถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็โอกาสที่มีจะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมาก โอกาสจะได้ลูกเพืไม่ดีมันจะมีมากกว่าเราจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขาเองเมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะตายอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็เตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่เรื่อยๆถึง เ, <c oughs> <c oughs> เวลาตายก็ตายลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเอง